พระพุทธเจ้าประทาปพระสงฆ์ขอประวะต่าาอครวอาจารย์หลงพ่อเทียนและก็พระมหาเถระทุกทุกะเพือนสัตยมิกทุกท่านเจริญพรญาติโยมประชาชนทุกทุกคนพระตอนเช้าก็เป็นเวลาที่เราได้พบปะกัน ตอนเช้าตอนเย็นในพูดใด้ฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบสบการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ให้ฟังสบายๆไม่ต้องไปคิดเพื่อที่จะจำเมาไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นก็ได้ขอให้ฟังแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็อยากไปจำ วพอพูดเนี่ยไมไ้พูดให้จพูดให้ให้ทาฟังแล้วเอาไปทำเอาไปทำดูเ ม, มือทำแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นเราก็จะมีการพบเห็นอะไรต่างๆเพราะการเจริญสติการเจริญส ต, ญสตินี่มันใครๆก็ปฏิเสธเนี่ยแม้แตเรามีตานี่แล้ว ถ้าเราลืนตาขึ้นดูอะไรมันก็ต้องเห็นเป็นธรรมดาความรู้สึกคนเลือกได้ยิ่งเรามาดูกายของเรามันก็ต้องเกิดการพบเห็นแน่นอนเห็นกายเคลื่อนไหวทําไมเราจะไม่เห็นเราจะไปทํามันดื่นมันจะเสียเวลาเห็นเรามือวางไว้บนเขา่าเราก็รู้ว่ามือเราอยู่บนหัวเขา่า ให้ทำสุดนี้จะไปม้วไปทำอันอื่นอยู่มันจะเนินชาเราพลิกมือเส้นเราก็ลูบแล้วเราพิกมือแล้วยกเราก็ลูบนะให้ลูตนน้ตัวนี้ให้เห็นตนนัวนี้เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเลยนะบางทีแทนที่เราจะเห็นกายเคลื่อนไหว มันก็เกิดอะไรขึ้นมาแตงหน้ามันก็หลงพ่อพุทธมันก็ก่อมความหลงบ้างความคิดบ้างโดยเฉพาะความคิดเนี่ยอันนี้มันไม่มีตัวมีตนมันเกิดขึ้นมาอย่างที่เราลู้ไม่ทนะันแต่ถ้าเราตัองอ้งหลักไว้นะถ้าเราตั้งหลักไว้จุดยืนที่เรากาลังดูอยูนะ่มันก็ต้องเห็นเห็นความคิด และไม่มีอะไรที่จะไปเห็นความคิดนอกจากความรู้สึกตัวพอจะสรุปแล้วมันก็มีกายมีใจจะ่แรกเหมือนกับมีของสองสามอย่างมีกายแล้วก็มีใจใจมันก็สู่ความคิดแล้วมีสติเป็นผู้ดูอะลาใดที่มันคิดเหมือนกับว่ามันเป็นอันหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมา กลับขึ้นมาดูกายตัว ส, สติมากับการแก้ไขเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ขยันรู้ขยันรู้ขยันรู้เอาไว้ไม่ผิดถ้าเราขยันรู้อยู่เป็นเป็นหลักเป็นที่ตั้งมันก็จะต้องเกิดการเห็นไม่ไม่หลบ จึงไรที่เกิดขึ้นไม่ไม่พ้นจากภาวะที่เห็นได้เห็นความคิดต้องเห็นแน่นอนตัวกายก็เห็นจิตตัวคิดก็เห็นธรรมดังที่คาพูดของหลายหลายท่านที่พูดเอาไว้เห็นเห็นความคิดทั้งๆที่เราไม่อยากจะดูความคิดแต่มันก็ไปเห็นความคิดนอกจากเห็นความคิดที่เป็น ตัวหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความหลงบางทีมันก็อาจจะเกิดเห็นกวามง่วงเหงาเหานอนเห็นการปวดการเมื่อยของร่างกายของเราแ้วเราเห็นอีกยู่มันก็เป็นการเห็นอีกเหมือนเดิมเรากำลังออกมาดูอะไรอยู่เรากำลังออกมาดูไม่ใช่เราได้ไปอยู่แต่ก่อนเราอยู่ ไม่ได้ดูเลยเรเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นเป็นผู้ง่วงเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยเป็นผู้เบื่อเป็นผู้ี่เกลียดอะไรไปทั้งนองมาพอเรามาตั้งหลักดูอ้าวมันเกิดความเห็นขึ้นมาตัวเห็นกับตัวเป็นเป็นคนลณแล้วแต่ข้ายก็ว่าเออมันได้ที่มันได้หลักเมื่อเราจะรู้อะไรต่างๆมันก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมา ถ้ค่อยดูเอาศึกษาไปฉลาดไปเรื่อยๆทักท่วงความโม่งทักท่วงความปวดพวกเมื่อยทักท่วงความคิดไปเฉลีัยไม่หมุดตัวเหมือนเมื่อก่อนเป็นอิสระพวกก่ า, าพอเราดูพอเราเห็นน่ะสนุกอเห็นของจริงคือเห็นเรื่องของกายให็นเรื่องของจิตใจเกิดความสนุกขึ้นมาเกิดความกระตือรือร้น ได้พบเห็นอะไรต่างๆต่างควรกลกัดูไปดูมาเราก็ขยันดูอย่างเดียวจนความรู้สึกท่องเที่ยวอยู่ในศรกทธที่มันเคลื่อนไปก็ธรรมดาแล้วแต่เราท่องเที่ยวอยู่ในที่ใดอยู่ในทินไหนนก็ชนานาในที่นั้น <c oughs> เหมือนกับพวกเราอยู่วัดป่าเขาคงขา พระสงฆ์พระร่าจญาติโยมที่อยู่วัดป่าเขาคงขามันก็อยู่ในหัวใจของเราทั้งหมดปติหลังไหนอยู่ตรงไหนห้องน้ำห้องตู้อะไรอยู่ที่ไหนเราก็รู้เมื่ออะไรเกิดขึ้นตรงไหนเรารู้จักพร้อมที่จะแก้กไขปรับปรุงเปลี่ยนไปเพราะมันมีความชํานาญสติเมื่อมีความชํานาญอยู่ในกาย อะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็มีพลังเมื่อสติทำนาญอยู่ในกายความคิดอะไรพอความคิดมันเกิดขึ้นมาสติมันมีหลักแล้วมันเป็นหลักอยู่แล้วมันดูอยู่พร้อมแล้วมันก็ได้เห็นชัดบางทีเราไม่มีหลักตูวเห็นความคิดในชัดเจนความคิดหลอกได้ควาคิดก็หลอกได้ แล้วก็เราเห็นความคิดแล้วเห็นความคิดอีกแต่เห็นไม่ชัดเจนเห็นความหลงไม่ชัดเจนล้วก็เราเห็นขมโมยจับขมโมยไม่ได้มันก็ตำรวจทำหาบเบาะแสจนที่สึกขมโมยโจรผู้รก็ปลื้มตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไปจับได้ได้ทันสักทีไม่คาหนังคาเขา นักเพลงสมุยก็ฟีก็สบายไปพน้นตัวบทกฎหมายแล้วเขาก็ปตลาดตัวตามเขาไม่ทันในตัวเราในสมณมต น, นบางทีถูกความคิดหลอกแล้วหลอกอีกความโกรธความโลภความร้องหลกเราอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ไม่ทันเพราะเราไม่มีหลักไม่ชํานาญ ไ, ไ, ไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมก็ถูกหลอก เมื่อถูกบอกคนหลงไปเสียวเวลาไปแต่นี้พวกเราพำลังดูอยู่เนี่ยเรามีหลักก็มีฐานแม่วิชากรรมฐานเนี่ยฟังชื่อก็น่ารักว่ากรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทําสมบูรณ์แบบที่สุดตายเราก็มีจริงๆการกระทำของเราก็มีจริงๆเราเพลื่อนไหวอยู่นี่สบายสบาย เราไม่ได้คิดหนาะเราไม่ได้วาดมโนภาพเหมือนกับวิธีอืน่นอีกตามพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วพง ก, ก็ยังไม่พอเท่าไหร่บอกลงไปว่ากายนี่ก็สภกวากายไม่ใช่สัวบุคคลตัวตนเราเขาเอาให้ชัดเลยเอาให้เกลี้ยงไปเลยถ้าเราพอพูดมันก็ก็ช่วย แติตทางอะไรก็เอ า, เอ า, เอ า, เอาคําพระพุทธเจ้ามาเฉลยก็ได้ เ, เวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกาความปวดความร้อนความหนาวความหิวภาษาบานเราเรียกว่าเวภาษาบาลีเรียกว่าเวทนาภาษาเราธรรมดาธรรมดาก็คือความอาสุขความทุ ก, ททกข์สิ่งที่ทําให้เกิดสุขสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์กายนี่มนก็มีหลายอย่าง เราก็ขี้ลงไปเวทนะาก็จะพูเวทนะาพระพุทธเจ้าบอกแล้วเป็นอื่นไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตบุคคลตัวต่ไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนเป็นอย่างพระพุทธเจ้าว่าอนั้นพระพุทธเจ้าว่าถ้าตัวสติเราไปเห็นก็จริงเขาจะว่าเหมือนพระพุทธเจ้านะ่ะเห็นกายก็เป็นกายจริงๆไม่ใช่สัตบุคคลากายมันร่อนไม่เป็นก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ลูก สกายมันหิวเป็นมันปวดไม่เป็นก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่กายเพราะกายมันมีลูกมีหนาวมันลู่อะไรได้โยงกัดไม่เจ็บก็ไม่ใช่กายไม่ลูยจากร่อนไม่ลูยจากหนาวมันก็ไม่ใช่กายความร้อนความหนาวความเจ็บมันเป็นขัญญาเตือนภัยของกายนั่งนานๆมันก็ปวดเออขอบคุณที่มันปวดน้าขอบคุณมันแทนที่เราจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ เออเนี่มันดีจริงๆจายนี่ยมันปวดกายที่ยมันรอ้อนมันหนาวอย่าไปโอ้ยอย่าไปหน้าโบดหน้าเบื่อไม่ใช่เรองแรกกระทั่งความหิวเนี่ยขอบคุณมันมากๆที่มันหิวนะหลวงพ่อเคยเหิวของมากคราวหนึ่งไปอยู่ที่วัดป่านาโพเนี่ยอายุหกสิบกว่าปีแล้วหิวข้าวเหมือนกับเด็กๆนะ โอ้อาหารก็ตักมาแล้วเต็มภาชนะอยู่มันก็หิวคิดชื่นใจโอ้โหเราเนี่ยอายุต้งหกเกืกาปีมันหิวเนี่ยแสดงว่าสุขภาพร่างกายดีจริงๆริขอบคุณมันลเลยเตินร่างกายที่มันหิวเนี่ปกติที่สุดเนี่ยนั้นถ้ากายมันหิวไม่เป็นก็ไม่ใช่การแต่บางคนนะ แว้าความหิวเกิดขึ้นเนี่ยทุกอารมณ์ก็เกิดแทรกเข้ามาใจก็ห่อเหี่ยวเป็นทุกข์ <c oughs> จำเติมลงไปแทนแทนที่เราจะกอบคุณความหิวมันก็เลย <c oughs> ลหลงทะเลถาลายไปซะไปเป็นทุกข์ไปเป็นสุข ด่วนไปเอาสุขด่วนไปเอาทุกข์ครเพราะเลยไม่รูกความจริงถ้าเรามาตั้งหลักดูดีๆมันจะได้คาตอบทุกเลือกจนจะไม่จานานเห็นเรื่องของกายของใจแต่ก่อนก็เป็นกายเป็นใจแต่เป็นกายเป็นใจนี่มันไม่แตกฉานแต่พอดูไปดูหว่วกายของเราที่เคลื่อนไปอยู่ใน ความรู้สึกเรากาลังดูไปที่มันเคลื่อนมันไหวมันเป็นเห็นเป็นของสองอย่างเห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามแต่ว่าลูกว่านามแล้วโอ้ยบัดเนี้ยเปิดไขกุญแจแก้โซ่ไขกุญแจแก้โซ่เป็นการเปิดเผยชีวิตของตนออกมาเป็นการเปิดเผยชีวิตของตนออกมา เรื่องของกายเรื่องของจิตมีมากแต่ก่อนเราไม่รู้มันก่อนหลงไปกับกายบ้างหลงไปกับจิตบ้างพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้ว ม, มันมันมีระเบียบของรูปมีระเบียบของนามสองพ่อก็เลยเให้คําตอโดนเฉลยมัน ในเรื่องของกายเรื่องของรูปมันก็มีธรรมชาติมันก็มีอากาศเรื่องของน้ําคือจิตใจมันก็มีธรรมชาติมีอากาศเฉลยเท่านี้มอบให้ธรรมชาติมอบให้อากาศตัวตนเลยไม่มีเป็นธรรมชาติเป็นอาการความร้อนความหนาวความปวดปวดความเมื่อยเเป็นอาการของรูป อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนามปีจิตเป็นความวิต ก, กวความโกรธความศร้ามองความโลภโกรธหลงเป็นอาการไม่ใช่สินงอื่นไม่ใช่จิตแต่เห็นทีใดก็พอตอบจะได้ไปแล้วก็หายวับมันเป็นอาการแล้วก็สั่นคลอนไปถึงอารมณ์ของโกรธโลภหลงความทุกข์สังขารตรงแต่าง งอนแงนก่อนแขวนกระทบ ก, กระเทือนหาที่ตั้งไม่ได้เป็นขบวนการแห่งการเลื่อถอนความทุกข์มองเราไปเลื่อถอนบ้านเห็นจุดที่เลือ่อพอเลือเ่อนไม่อบก็เห็นจุดนั่นจุดนั่นจุดนั่นมันก็บอกมันติดตอนขล้องอยู่ตรงไหนมันบอกไม่ต้องไปถามใครไปเห็นความทุกข์ เป็นโลกมันทุกข์เห็นน้ำมันทุกข์เป็นโูกที่มันเป็นโลกเห็นน้ำที่มันเป็นโลกก็กระเทือนไปสิ่งใดที่ทําให้โูกเป็นทุกข์สิ่งใดที่ทําให้น้ำเป็นทุกข์โลกเกิดอ่าเข้า อ, อกเข้าใจรู้แค้นเช่นหลักลเป็นกระบวนการแห่งการลืมถอนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบ เโลอย่างนั้นะไม่ใช่อย่างอืีนที่เรามาทำอรื่อนี้ก็วางอย่างก็ไม่ชัยชนะไปพ้นไปปรากฏการความทุกข์ความสลาดเกิดขึ้นความโง่หลงลัไมไยหมดไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหมดไป <c oughs> ในการปฏิบัติธรรมที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราจะตอบเขาเองเราจะเฉลยเขาเองไม่เหมือนกับคําถามเช่นถามศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรบุญคืออะไรบาปคืออะไรสวรรค์คืออะไรนรกคืออะไรมรรคผลคืออะไรไม่มีคําถามไม่แต่คาําตอบ แล้วคนอื่นตอบให้ก็ไม่ถูกตัวเราเองตอบเัวเองไปพบเห็นเราเองจะจะทําจริงๆไม่มีคําถามมีแต่คําตอบแล้วตัวเองต้องตอบตัวเองซะด้วยโอ้เราก็โล่โอ้บุญเราได้บุญจริงๆเราได้บุญจริงๆเราละ บ, บากไปจริงๆเกิดความสุขหลับ ในสิ่งที่เราโง่หลงเกิดความฉลาดขาึ้นมารู้เรื่องศาสนารู้เรื่องพุทธศาสนาศาสนาคืออะไรคนมีศาสนาคือคนเป็นอย่างไรเราเข้าสังสาสนาเราไม่ทุกข์ศาสนาเป็งเครื่องคือตัวเรานี่ยแท้ๆคือตัวเราที่ไม่ทุกข์เกิดความหลาด เราเข้าถึงศาสนาพุทธศาสนาคือตัวรู้รู้ออกจากทุกข์เป็นเบิกบานไม่ง่ไม่โลภพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสองลักษณะพระพุทธเจ้าภาษาของคนก็มีอยู่จริง โ น, น้นปริญญาพันไปแล้วตัสองพันห้ารอยสี่สบสองสี่อันนั้นเราไงสามารถที่จะเห็นทรงดด้ในมืจริงๆหลวงพ่อเคยไปดูเลี้ยวหลอยร่องลอยของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงถูกต้องในสำรับตำลาที่เขียนเอาไว้ไปดูที่ไปสูตรไปดูที่ตัดะลุ ไปดูที่แสดงธรรมไปดูที่ปริเนพานไปดูสถานที่ต่างๆยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาจนผู้ตกอว่าต่อในใจเข้ามาโอ้ยไม่ไหวจะไม่มีขนาดไปดูร่องลอยของพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่ไปดูที่อยู่ของเหล่าพระสาวก โดยเฉพาะท่าอนอาชันตา้าอยู่เมืองอัลลังกบัตแถวโ น, น้นแถวใกล้ใจบอมเบยส่วนว่าผู้ที่ไปอิตี ย, ตยถ้าไม่เห็นอาชันต้าแล้วเสียเทีย่ยวแถวบอมเบย์หลวงพ่ อ, พอไมไม่ไปลงแถว รักตา้าไปลงบอมเบย์อะไสิเดียบไกลสุดโ น, น้นแล้วก็ค่อยย้อนกลั บ, ม า, ลบ ม, ามากลับมามากลับถึงเมืองเมืองหลวงของเขาเมืองอะไรจาไม่ได้ไม่ใช่เมือมงหลวงของอินเดียเอ็ดดิเดียว่าขึ้นถ้ากลับมาขึ้นอ็ดดิเดียวอชันตาเนี่ยท่ามอชันตาน้า ไม่ใช่สมัยของพระพุทธเจ้าสมัยสาวกของพระพุทธเจ้าโอ้ยไปเห็นรอยศรัทธาศรัทธาของหมู์พระสงฆ์จ่ภูเขาสร้างเป็นศาลาระภูเขามันเป็นตัวอยู่จอ่อภูเขาเป็นศาลาราสองชั้นสามชั้นเสาเนี่ เอาหินในนั่นเลยพระประธานก็เอาหินในนั่นเลยกระติก็ทําเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องจอดเป็นหมอนหน่นบ้างจอดเป็นที่วางตะเกียงบ้างจอกหินจอดภูเขาไม่ใช่แรงบังคับเกิดศรัทธาพระสงฆ์หนึ่งเป็นศรัทธาจริงจริลักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลักศาสนาลักหมู่ลักคณะ เห็นเครื่องคงจะเป็นหมู่เป็นคณะที่คิดเหมือนกันทำเหมือนเดียวกันแ้วก็ไม่ไปสีปวะสาดก่านเราก้าพูทธทั้งรอยศรัทธาของเหล่าพระสาวกอย่างมหาธิรัยนารันทาเนี่ยเป็นมหาธิรัยที่เกิดก่อนอะไรทั้งหมดในโลกเป็นรอยมือของพระสงส์เท่านั้นอยศรัทธาของชาวพุทธทั้งนั้น มันกับสมัยนี้หรือวัดเขาคงคาของเราถ้าจะทาแล้วอะไรต้องไป่อยู่จ้างโบสถปีเดียวสามเดือนเสร็จศรัทธาความสมานสามัคคีอันนี้มีจริงเป็นเรี่ยวหล่อของพระพรุทธเจ้ามีอยู่จริงเราจะให้ไปดูทําห้กันตั้ง มาชะ ก, กันมาศรัทธาของเราพระสาวกของเราอุบาสกวาสิกาแต่พระพุทธเจ้าตัวจริงคือคุณธรรมอันนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนเราพบเห็นได้ในชีวิตของเราคือคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานะั้นศีลอันนี้เราก็สัมผัสได้อย่างที่เราจเจริญสติอยเนี่ย มันเป็ น, นปศีลบริสุทธิ์ที่ศีลเป็นศีลที่เกิดจาก <c oughs> การสำรวมในพระปฏิโมกเรามีสติอยู่เนี่ยตามันก็ไม่ได้ใช่มันหร อ, อ้จะโหมลิ้ม ก, ยกายใจมันเกิดการสำรวมเองไม่ต้องไปสังวรไม่ต้องไปนั่งหลับตา ถ้าคนเรามีสติแล้วมันเกิดการสัารวมลงของมันเลยไม่แต่ความรู้สึกการเห็นก็เป็นกิริยาการได้ยินก็เป็นกิริยาการพูดการสัมผัสอะไรเป็นกิริยาแต่ความรู้จริงๆความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าประตูอื่นมันปิดเหมือนครับอาจารย์มหาไหลเทศเรื่องโพ ธ, ธิละ ถ้าคนมีสติแล้วทวนันทั้งหมดมันปิดสํารวมเองมันจะไม่เป็นสินได้อย่างไร<ฮ>ก็สบายมากสะดวกที่สุดไม่ต้องไปนั่งหลับตาสองวรสํารวมอะไรถ้าคนมีสติลุยเลยอ่าหล้าผ่าว่าลุยได้เลยลู่ลื่นได้เลยมพราะแตถที่เขาทําได้ดีอขนาดขึ้นมันลื่นไว้ได้สบาย คนมีสติลืดต้ไม่คล้องไม่ติดถ้าเป็นสติปัฏฐานมันคงแน่วแน่ไม่พุันพาัไม่ไปเสียภาษาหรอกตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในกมำมือของควา ม, ม, มรู้สึกตัวทนะั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวคมรู้สึกตัวและเราก็ทำได้จริงๆทิกมือขึ้นรู้สึก เราก็ไปสอนใครถ้าเขาพลิกมาขึ้นรร้สึกยกมาขึ้นรู้สุดเราก็สบายใจแล้วเป็นหน่อโพธิ์แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องหาเหมาะสมแล้วกับชีวิตทุกชีวิตอ่านหนังสือไม่ได้ก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะแล้วความรู้สึกตัวก็ไม่อยู่ที่ริ่เราไปไหนก็อยู่กับเราอยากรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้ อยู่ในรีวบวไหนไม่เกี่ยวสถานที่เวลาไหนไม่เกี่ยวความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนมีอายุผู้หญิงผู้ชายปวดไม่บวด <c oughs> ความรู้สึกตัวไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่นิการไม่ใช่เพศไม่ใช่วันสะดวกที่สุดความรู้สึกตัว เ, เป็นที่รวมหลงของธรรมทั้งหลาย เมื่อลองพ่อไปพูดที่วัดนาคูว่าสินว่าวิธีวิธีฆ่าเสือหลวงพ่อพูดจำเข้ามาจำตำรามาสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นสิบอนนั้นยังจับไดอยู่เขาเล่าเรื่องอ่า มีรหลคนหนึ่งแสวงหายาวิเศษก็เดินเข้าดงเข้าป่าไม่เรื่องเล่าอย่างนี้่อไปได้ยินเสียงสัตว์ล่องแทนที่จะไปหาเยวพายาวิเศษพอได้ยินเสียงล่องของสัตว์ก็เกิดความสนใจก็ตามเสียงนั้นไปไปเราก็ไปเห็นเสือ ลูกเสือนอนดูดนมแม่ก็แม่มันก็โูกลูกสอนเสียบที่หน้าอกตายนอนอยู่ในโลูกมันดูดนมเรา จ, จะไม่มีน้าน ม, มาเสือน้อยตอนนอนก็ล้อผู้ปกครองรนั่นก็สงสารเอาเสือน้อยตัวนั้นมาเลี้ยง <c oughs> แทนที่จะไปขา ย, ย่าก็เลยกลายเบนความรู้สึกไป ไปยินดีกับเสียงกับลูกกับรถกับกลิ่นถ้าจะว่าแล้วนะก็เสือจนมาเลี้ยงเลยเสือตัว น, นั้นก็กลายเป็นเสือหกปากแต่ละปากกินอาหารไม่เหมือนกันบุรุษข้าน้อก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงเสือน้อยตัว น, นั้นจนใหญ่โตจนไม่มําำนาจจนบุรุษข้าน้อก็ลักไช่เสือตัว น, นั้นตลอดแอบจะไม่ร่อยก็คิดอยากจะฆ่าเสือ เลยไปหาอาจารย์ที่ทำยังไงเึง่อฆ่าเสือได้อาจารย์คนที่หนึ่งก็บอกว่าเอาเอาเอ า, เอากองห้าที่ไปขังเอากงสิบที่ไปขังเอากงสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่ไปขังไม่อยู่ไปหาครูคนสุดท้ายบอกว่าให้ทํากองที่เดียวหลวกคนนันต์ก็มาเอากองที่เดียวขังเสืออยู่เลย กงห้าี่ก็คือสิบสิบสิห้ากงสิบี่ก็คือสินแปดจะแปดี่สิบชี่สินแปดสินสิบสอง้อยี่สิบเจ็ดขังเชื้อไม่อยู่พังออกไปจนโบราณระว่าอัสยจันใจโอ้โห้ท้องสมาแตะปัสกะโปบักข่าวจมามั่นกัวโอ้หน้าขวดทุกสิน มีป็นหามากสหรับญาติโยมนี่ยสงฆ์สองสารสงสามเป็นผู้ที่มั่นคงบำรงศาสนาอย่างเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเห็นอย่าี่ยว่าโนนะเวียงก็ไม่ใช่บ้านอะไรที่ใหญ่โตช่วยทำรับผิดชอ บ, บส่งเกตุกราตลอดทั้งาญาติโยมที่นั่งอยู่เนี่ยมีศรัทธาเห็นโยมกราบไหว้ทีใดแล้วมัน มันถอยหลังไม่ได้ต้องเดินหน้าทับพับไปนั่นเรีว่าทุศิลปพิศสินพอได้กลงซี่เดียวมีความรู้สึกตัวอยู่เลยเสื่อนหกปากไปไหนไม่ได้นี่เรียกว่าปาริสุดสิศเป็นศิลที่เกิดขึ้นเกิดการสํารวมเองในตาในหูในสมองเพื่นกายใจเราก็สะดวกสบายสบา ย, บา ย, บา ย, บายการเจริญสระเด็น เพราะฉะนั้นนี่พวกเราจึงไม่พากันเนินช้าตรงเข้ามากลายตรงที่สุดคือความรู้สึกตัวก็ต่อไปถึงกับสังที่พูดในะที่ในว่ามันเห็นเป็นช่องเป็นทางไปเห็นลูกเห็นโกูนโกทุกเห็นน้ำทุกเห็นโกูกโลกเห็นน้ำโลกไม่มีอะไรที่จะปิดบงงังอำพังหรือซ่อนหลบอยู่ มันที่ว่าทุกข์ไงจะเป็นทุกข์เรื่องใดเกี่ยวข้องกับทุกข์เป็นสภาวะทุกข์เป็ทุกข์ตามธรรมชาติความร้อนความหนาวความหนียวการปวดการเมื่อยยืนเดินนั่งนอนหายใจเป็นสภาวะทุกข์ธรรมดาทุกข์อันนี้กําหนดโลกหรือกำหนดวันวันเทาเกี่ยวข้องเป็นไม่ใช่ไปทุกข์จน นาะูุญน่าเวิร์เศร้าโศกเสียใจไม่ใช่นิสัยและนะทุกข์ทุกข์กอยู่เนืองนิสัยเป็นการหายใจการอะไรต่างๆเนี่ยเราจะว่าเราเป็นเป็นก้อนทุกข์ลูกเนี่ยเป็นลูกทุกข์เป็นก้อนทุกข์ ท, ทั้งทั่งวันก็เป็นทุกข์อยู่เรายังหาทุกข์กันดื้อไปใส่ไปเอาความโกรธความโลภความหลงไปเอาความรักความชังไปใส่ไปเติมให้มันเป็นพระเกิดขึ้น